ชื่นชอบนะมากมายแต่นอกจากชอบเขียนหนังสือแล้วเนี่ยเธ อ, อยังชอบท่องเที่ยวชอบวาดรูปและชอบอีกอยานนะ่างคือชอบปฏิบัติธรรมมไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมครั้งละเจ็วันบ้างสิบวันบ้างนี่เรียกว่าเป็นประจำนะก็มีคนถามเธอว่าเนี่ยในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไร เจอตอบดีนะเพราะว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทำให้เราเป็นคนรักความจริงมันทำให้เราเนี่ยได้เห็นความจริงของตัวเองแล้วก็ยอมรับแม้ว่ามันจะเป็นความจริงที่อาจจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่หรือเป็นความจริงที่ตัวเองเนี่ยไม่เคยมองเห็นมาก่อน เช่นเธอเล่าว่าเนี่ยเดิมทีก็คิดว่าเป็นคนรอบคอบนะเห็นข้อ บ, บกพร่องอะไรได้ไวแล้วก็รู้สึกภูมิใจนะว่าเออฉันเป็นคนรอบคอบความบกพร่องอะไรที่ฉันเห็นได้ไวแต่มาพอมาปฏิบัติธรรมมันได้เห็นใจของตัวเองเนะว่าเนี่ยชอบเพ่งโทษคนอื่นชอบตําหนิ ว่าทำไมคนนั่นทำอย่างนี้ทำไมคนนี้ทำอย่างไง้ทำไมเขากินแบบนั้ น, ท ำ, น, บบ น, นทำไมเขาตากผ้าแบบนี้มันเห็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในใจตัวเองเนี่ยขณะที่ปฏิบัติธรรมซึ่งก่อนหน้า น, นี้ไม่เห็นนะไม่เห็นชัดแบบนั้นหรือเห็นก็เห็นแล้วก็เลยไปคิดว่าฉันเป็นคนรอบคอบนะมองอะไรรอบด้านแต่ที่จริงเนี่ย ที่มันแสดงตัวชัดเจนคือการเป็นคนชอบเพ่งโทษจับผิดคนอื่นเห็นแต่ข้อผิดพลาดของคนนั้นคนนี้ก็เลยเอกใจขึ้นมาว่าฉันคงไม่ใช่เป็นคนรอบคอบอย่างที่คิดนะแล้วพอเห็นว่าเป็นคนชอบเพ่งโทษจับผิดคนอื่นนะแม้ว่ามันจะเป็นด้านที่ไม่ดีแต่ว่าก็ทำให้ยอมรับความจริงส่วนนี้ได้ในการปฏิบัติธรรมมันช่วยนะทาให้เห็น แล้วก็ยอมรับซึ่งก็เป็นประสบการณ์คล้ายๆกับหลายคนนะพอมาปฏิบัติธรรมมาฝึกดูจิตดูใจเฝ้ามองตัวเองเนี่ยมันเห็นความคิดและอารมณ์ต่างๆหลายอย่างที่ไม่เคยนึกว่าตัวเองจะมีเช่นคนความอิดช้าหรือว่าความโลภเห็นเลยนะเวลา เราทำดีมีน้ำใจลึกๆมันก็อยากจะให้คนชื่นชมสรรเสริญหรือว่าอยากจะให้คนเขามองเราว่าเป็นคนดีแล้วที่เราทำดีกับใครต่อใครลึกๆก็เป็นพาะเรากลัวเขาเกลียดเราเรากลัวเขาไม่พอใจเรามันก็กลายเป็นว่าโอ้เห็นนะแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังนะการทำดีของตัวเองว่ามันก็ มีความเห็นแก่ตัวมันมีเรื่องอัตตาเรื่องกิเลสเห็นความไม่น่ารักของตัวเองอันนี้คือความจริงนะที่คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมองข้ามมักจะปฏิเสธบางทีมันก็โผล่ให้เห็นแต่ว่าก็บอกปัดไม่จริงหรอกนมีข้ออ้างหรือหาข้ออ้างแต่พอมาปฏิบัติธรรมเนี่ย มันมีเวลาเฝ้ามองนะเฝ้ามองจิตใจตัวเองก็เห็นเลยนะตัวกิเลสที่มันโผล่หัวโผล่หางมาไอ้ด้านดีมันก็มีนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มักจะเห็นด้านดีของตัวเองแต่ว่าไอ้ด้านที่ไม่ดีมักจะมองไม่เห็นจนกระทั่งมาภาวนามาปฏิบัติธรรมพอเห็นล้นําก็เออไม่ได้รู้สึกลังเกียจ ต, ตัวเองนะหรือว่ารู้สึกปฏิเสธผักใสสิ่งที่เห็น แต่ว่ามันทำให้เกิดการยอมรับแล้วยอมรับเนี่ยก็ทำให้เรารู้ว่าเออเราก็ไม่ได้พิเศษไปกัคนอื่นแต่ก่อนเนี่ยนะคิดว่าเราพิเศษนะเราเหนือกว่าคนอื่นเพราะเราเป็นคนมีศีลเพราะเราเป็นนักปฏิบัติธรรมแต่พอเห็นกิเลสมันเลียงหน้าด่านหน้าเข้ามาครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยก็เลยรู้ว่าโอ้เราก็ไม่ได้ เสรหรือว่าเหนือกว่าคนอื่นแล้วมันทำห้เกิดความจักถ่อมเนื้อถ่อมตัวนะถึงแม้เราปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่ว่าเราดีเดชกว่าคนที่เขาไม่ปฏิบัติธรรมแล้วตรงนี้มันก็ทำให้ เ, เกิดความกระตือรือร้นนะที่จะพัฒนาตัวที่จะขัดเกลากิเลส ที่จะลดละอัตราให้มากขึ้นซึ่งมันก็เริ่มต้นจากการที่ยอมรับความจริงเรายอมรับความจริงได้่ก็เพราะเห็นความจริงแล้วก็ไม่ปฏิเสธไม่ผักใสแต่คําว่ารักความจริงในที่เธอพูดเนี่ยมันจริงๆมันก็มีความหมายมากกว่า น, นั้นนะมันโยนไปถึงการรู้จักแสวงหาความจริงด้วยจากเหตุการณ์ต่างๆซึ่งบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของอนิถารม อ น, นิถารวมก็คื อ, อลูกลดกิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจหรือเหตุการณ์ที่ไม่น่ายินดีเช่นเสื่อมลาบเสื่อมยศหรือว่าถูกนินทาหรือว่ามีความทุกข์ซึ่งก็รวมไปถึงความพัดพ่างสูญเสียต่างๆและที่สำคัญคือเรื่องการถูกนะติชินนินทาต่อว่าด่าทอคนเราเนี่ยพอ มีใครเนี่ยมาติฉินนินทามาต่อว่าด่าทอเนี่ยมันจะเกิดความไม่พอใจนะเกิดความขับแค้นใจเกิดความขุนเคืองเพราะว่าใจเนี่ยมันไปจับอยู่ที่คำพูดที่ไม่ถูกใจซึ่งมันก็มักจะกระทบกับอัตตาหลายคนก็จะรู้สึกว่าทำไมเขาว่าฉันหรือบางทีก็ตอบโต้กลับไปในใจว่าเนี่ย แล้วเธอละนะดีกว่าฉันตรงไหนมีสิทธิ์มาว่าฉันได้อย่างไรฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมนะอ่านี่ก็แต่คนที่แสวงหาความจริงเนี่ยหรือคนที่รับความจริงเนี่ยเขาจะมองว่าเออที่เขาพูดมาเนี่ยมันจริงไหมวันที่มันต่างกันเลยนะมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไปเลยถ้าไปคิดแต่ว่าเนี่ยทําไมเขาว่าฉันทําไมเขาด่าฉันเนี่ยหรือว่าดีกว่าฉันตรงไหนมาว่าฉันเนี่ย มันก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจบ้างเกิดความโกรธบ้างแต่ทันทีที่เราถามใหม่ว่าเออที่เขาพูดมานี่มันจริงไหมอ่ตรงนี้แหละนะที่มันทำให้เราเกิดปัญญาเกิดการใใคร่ครวญและทำให้เราเนี่ยได้ประโยชน์นะจากคำพูดเหล่านั้นแม้มันจะไม่ถูกต้องนะแม้มันจะไม่ถูกใจแต่ว่ามันมีประโยชน์แล้วอาจจะถูกต้องก็ไนดะ้ ถ้าว่าสิ่งที่กขาพูดมามันมันเป็นความจริงและการปฏิบัติธรรมนี่มันทำให้เราเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้นะก็คือสามารถที่จะใครควดว่าที่เขาพูดมาจริงไหมถ้าปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมาไม่ถึงจุดนี้หรือว่าทำตรงนี้ไม่ได้นี่มันก็ยังถือว่าอย่างปฏิบัติธรรมไม่มากพอหรีอ ย, อยงไม่ก้าวหน้าเพียงพอนะเพราะถ้าเราปฏิบัติธรรมได้ ได้ดีได้ถูกต้องเนี่ยมันจะมาอย่างน้้ยก็มาถึงจุดนี้แล้วนะเออรู้จักใค ร, คร่ครวญที่ก็าพูดมาจริงไหมแล้วมันทำให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาตนและทำให้เราเนี่ยไม่ทุกข์ไปกับคำวิพากษ์วิจารหรือต่อว่าด่าทอมากามก็เหมือนกับที่เคยยกตัวอย่างบ่อยๆนะผู้ก่อตั้งเมืองโบราณเนี่ยซึ่งเป็นเศรษฐีนะ แต่เขาก็เป็นคนที่มีธรรมะพอสมควรเขามาักจะพูดวันเนี่ยวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอปมองคลคนที่พูดอย่างนี้ได้ต้องเป็นคนที่รักความจริงนะหรือสแสวงหาความจริงเพราะว่าต้องมีความรักความจริงนะถึงจะเห็นว่าคําตําหนิต่อว่าด่าทอเนี่ยมันมีประโยชน์ จนถึงกัพูดว่าวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอภิมงคลแปลว่าวันไหนถูกตําหนิวันนั้นเป็นมงคลเพราะว่าทําให้ได้รู้ว่าเรามีข้อบกพร่องอะไรบ้างที่ควรปรับปรุงแก้ไขส่วนใหญ่คนไม่ชอบคําตําหนนะิเพราะว่ามันไม่ถูกใจที่จริงมันไม่ถูกใจกิเลส น, นะแต่ว่ามันสามารถจะประเทิงปัญญาได้ถ้าว่าเราเป็นคนที่รักความจริงเนี่ยเราก็จะพิจารณาวเออที่เขาพูดมาจริงไหม แล้วพอเราเห็นความจริงนะว่าควรจะเรามีข้อบอกพร่องอย่างไรควรปรับปรุงอย่างไรอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์นะเพราะมันทำให้เกิดการปรับปรุงตัวเองหรือว่าเป็นมงคลได้อันนี้พระเจ้าก็ชี้นะว่าเนี่ยถ้าว่าเราวางใจแบบนี้ได้เนี่ยคำตำหนิของผู้อื่นโดยเฉพาะของคนที่เขามีปัญญาเนี่ยมันคือการชี้ขุมทรัพย์เลยทีเดียว ขุมทรัพย์ที่ว่าเนี่ก็คือความจริงนะเกี่ยวกับตัวเรานะที่ควรปรับปรุงแก้ไขผู้ที่รักความจริงเนี่ยหรือแสวงหาความจริงเนี่ยก็จะมองว่าเนี่ยคาตําหนิหรือว่าการกระหนาบนะของกิริยะนนมิตเนี่ยมันคือการชารี้ขุมทรัพย์เป็นประโยชน์และคนเราเนี่ยก็ถ้ารู้จักมองหาความจริงแบบนี้นะ๋ยวว่าแต่ คำตำหนิติดเตดียนที่มีกับเราโดยตรงเลยนะแม้กระทั่งคำตำหนิต่อว่าที่มีต่อสิ่งที่เราศรัท ธ, ธานับถือเนี่ยมันก็สามารถจะทำให้เราเนี่ยเห็นประโยชน์แล้วก็รู้จักปฏิบัติอย่างถูกต้องนะอย่างพระพุทธเจ้าจเคยตรัสว่าเนี่ยเมื่อมีคนมาติดเตดียนเรา หรือติดเตียนพระธรรมหรือติดเตียนพระสงฆ์ท่านทั้งหลายเนี่ยท่านทั้งหลายที่นี่คือพระพิสุสงฆ์เนี่ยนะไม่ควรโกรธนะไม่ควรขุนเคืองนะไม่ควรพยาบาทนะเพราะถ้ามีความรู้สึกเช่นนั้นเนี่ยอันตรายก็จะเกิดขึ้นกับเธออันตรายก็จะเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายนะ ก็โกรธเมื่อไรคุณเคืองเมื่อไรนี่อันตรายเกิดขึ้นแล้วคือว่าเกิดโทษโทษที่ว่านี้ก็คื อ, อความทุกข์ใจแล้วก็การไม่เห็นความจริงนะพระเจ้าตรัว่าเนี่ยถ้าว่าท่านทั้งหลายเนี่ยโกรธขุ่นเคืองคนที่เขาตํัณฑ์ติดเตียนหรือจ้วงจพพับพระผู้ประทานประสงค์เนี่ยท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าคำพูดของเขาเนี่ยมันดีหรือไม่ดีมันจริงหรือไม่จริงนะ ภาษาว่าก็ตอบว่าไม่จริงก็ภาษาว่าก็ตอบว่าไม่รู้ถ้ามีความโกรธมีความขุนเคืองนี่ก็จะไม่รู้หรอกนะว่าที่คำกล่าวของเขาเนี่ยมันดีหรือไม่ดีจริงหรือไม่จริงเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่ควรโกรธไม่ควรขุนเคืองและสิ่งที่ควรทำมากกว่านั้นคือว่าชี้แจงว่าความจริงคืออะไรนะอะไรที่ไม่ใช่ความจริงนะและมันไม่ใช่เฉพาะคำติดเตียนนะ แม้กทั่งคำยกย่องสารเสวนี่ยกย่องสารเสริญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ ย, ย, ย, รร ถ, ยถ้ามีใครทําเช่นนั้นเนี่ยก็อย่าไปชื่นชมสมนัดเขาหรือตื่นเต้นนะในคําชื่นชมรรสารเสวนเพราะถ้าขืนทําเช่นนั้นเนี่ยอันตรายก็จะเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายเหมือนกันนะเขาชมแล้วไปชื่นชมรรสารเสวนเนี่ยลิงโลด น, นี่ยถือว่าเกิดโทษนะ พ่อะจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยนะมันจริงหรือไม่จริงนะหรือว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าควรจะทําอะไรนะกับคําชื่นชมสารเสริญนั้นถ้าคนที่รักความจริงเนี่ยนะเขาจะไม่โม่แต่หุดหงิดหัวเสียเมื่อมีคนมาตําหนิติดเตียนเรา หรือว่าติดเตียนคนที่เรารักเคารพแต่ว่าจะรู้จักพิจารณาว่าเออที่เขาพูดมาเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงถ้าไม่จริงก็ต้องชี้แจงว่าตรงไหนไม่จริงอันนี้ก็เรียกว่าเอาความจริงเป็นใหญ่แล้วคนเราเนี่ยถ้าเอาความจริงเป็นใหญ่นะมันจะทุกน้อยลงนะแต่ส่วนใหญ่คนเราเนี่ยเอาอัตตาเป็นใหญ่เอาความ ถูกใจไม่ถูกใจเป็นเรื่องใหญ่มากกว่าความจริงหรือความถูกต้องแต่ทุกคนเราเนี่ยรู้จักเอาความจริงนเป็นใหญ่นะตามันก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กความรู้สึกเสียน้ามจะกลายเป็นเรื่องรองไปมีศาสตราจารย์นคนหนึ่งนะที่มาหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเนี่ยมีชื่อเสียงมากนะอยู่คณะสัตววิทยาอันนี้ก็เมื่อสักห้าสิปีที่แล้วนะตอนนั้นเนี่ยมันมีการ มันมีการค้นพบนะว่าในเซลล์เนี่ยมันมีองค์ประกอบอย่างหนึ่งนะที่เขาเรียกว่ากรอจิแอปพาลัสนะมันอยู่ในไซตตัวประสมเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยมันไม่มีกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะเพราะฉะนั้นมันก็มีการถกเถียงกั น, นว่ามันมีจริงหรือเปล่าเนี่ยไอกรอจิแอพาลัสเนี่ยศาสาจารย์คนนี้ชาวอังกฤษเนี่ ย, กยแกบอกว่าไม่มีหรอกมันเป็นสิ่งที่แม้ขึ้นมาเอง แล้วแกก็ทั้งพูดทั้งสอนทั้งเขียนเพื่อปฏิเสธทฤษฎีเนี่ยมาโดยตลอดเลยเป็นเวลาสิบกว่าปีนะใครยืนยันว่ามันมีแกก็เถียงว่ามันไม่มีหรอกนะมันเป็นความเข้าใจผิดมันเป็นทฤษฎีที่ยังไม่มีการพิสูจน์แล้ววันหนึ่งเนี่ยมันมีนักวิทยาศาชาวอเมริกันยังหนุม่มเองนะมาบรรยายในคณะของศาสตราจารย์คนนี้ แล้วก็าหลักฐานมาชี้เลยนะเอาหลักฐานมาแสดงเลยนะว่าไอ้สิ่งที่เรา call to apparatus เนี่ยมันมีและการบรรยายเนี่ยนะก็มีาศาสตราจารย์คนนั้นนั่งฟังด้วยเป็นการบรรยายที่ล้มล้างนะคำสอนหรือทฤษฎีของาศาสตราจารย์คนนี้พอชาวอเมริกันคนนี้เนี่ยแกบรรยายจบนะาศาสตราจารย์ชาวอังกฤษเนี่ย ก็เดินไปที่เวทีเลยนะที่แรกคนนึกว่าจะเดินไปเพื่อโต้เถียงหักล้างผู้บรรยายแต่ผิดคาดนะแกตรงไปแล้วก็จับมือนะจับมือกลุ่มม้อยแล้วก็บอกว่าเนี่ยขอบคุณนะพ่อหนุ่มผมนี่เข้าใจผิดมาถึงสิบห้าปีโ้งทั้งที่ นักวิชาการชอเมริกนคนนั้นเนี่ยนะหักล้างนะทฤษฎีของศาสตราจารย์คนนี้นะแต่แทนที่แกจะรู้สึกเสียหน้านะที่ถูกหักหน้านะต่อหน้าสาธารณชนเนี่ยแกกลับไปขอบคุณนะทำไมแกไม่รู้สึกเสียหน้าทำไมแกไม่รู้สึกโกรธนะเพราะแกดีใจที่ได้พบความจริงว่า มันมีสิ่งนี้อยู่นะแล้วพอแะพบความจริงแกก็ยอมที่จ ะ, ะ, ะละทิ้งความคิดเดิมๆแล้วก็ไปขอบคุณนักวิชาการชาวอเมริกันคนนั้นอันนี้แสดงถึงอะไรนะแสะดงถึงการที่เห็นความจริงเป็นใหญ่ความรู้เป็นใหญ่แล้วคนเราเนี่ยถ้าเอาความรู้เป็นใหญ่เนี่ยอัตามก็จะเป็นรอง เพราะฉะนั้นเนี่ยแม่จะรู้สึกแม่ก็เลยไม่รู้สึกเสียหน้านะกลับรู้สึกยินดีนะที่ได้ความรู้ใหม่ได้ความรู้เพิ่มอันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าศาาจารย์คนที่ไม่ใช่บัรเป็นนักปฏิบัติธรรมนะแต่ว่าจะมีจิตวิญญาณของนักปฏิบัติธรรมเลยทีเดียวในแง่ที่ว่าเอาความจริงเป็นใหญ่นะ แม้ว่าความจริงนั้นเนี่ยมันจะสวนทางกับความเชื่อของตัวหรือว่าไม่ทำให้นะตัวเองเสียหน้าแต่นั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยมากแน้ถ้าเราซึ่งไม่น้องปฏิบัติทําเนี่ยสามารถทำได้อย่างนั้นโอ้ก็เรียกว่าประเสริฐมากเลยถึงแม้ว่าไอความรู้ที่เราแสวงหาหรือความจริงที่เราให้คุณค่าเนี่ายาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของเซลไม่ใช่เป็นเรื่องของสิ่งนอกตัว แต่เป็นความรู้หรือความจริงนะเกี่ยวกับสัจธรรมเกี่ยวกับตัวเราคือรูปนามกายใจเนี่ยก็ต้องอาศัยท่าทีแบบนี้แหละนะซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าแม้กระทังในหมุนักปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเวลามีคนมาแย้งว่าไอความคิดของเราไม่ถูกหรือว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันไม่จริงเนี่ยีเราโกรธนะ เรโกโรธเพราะว่ามั น, นกระทบอัตตาเราสนใจที่จะรักษาอัตตาหรือถนอมอัตตามากกว่าที่จะเห็นคุณค่าของความจริงงั้นถ้าเราเนี่ยปฏิบัติธรรมจริงเนี่ยนะมันจะทำให้เราเนี่ยรักความจริงในระดับที่เรียกว่าเป็นผู้ไฝ่รู้หรือว่าความจริง ที่เกิดกับกายกับใจหรือความจริงนะที่มันแทรกแสดงอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆมากกว่าที่จะเอาความถูกใจนะเป็นเรื่องใหญ่ถ้าความใฝ่รู้เนี่ยคนที่รักความจริงเนี่ยมันจะเป็นผู้ใฝ่รู้นะแล้วก็ใฝ่สอยหาความจริงหรือว่าความจริงนะที่เป็นสัจธรรมเวลา ถูกต่อว่าด่าทอเนี่ยเราก็จะมาหาว่าความจริงคืออะไรไม่ใช่ความจริงเกี่ยวกับตัวเราเท่านั้นนะแต่ว่ารวมถึงความจริงที่ท่านเรียกว่าสัจธรรมด้วยหลวงพ่อเคเขียนนั่นเคยพูดว่าเนี่ยแม่ถูกด่านะก็เห็นสัจธรรมได้อันนี้ก็รวมถึงเวลาเจอความทุกข์ด้วยนะเวลาเจอความทุกข์เช่นความเจ็บความป่วยความพัดพลาดสูญเสียเนี่ย ไอ้พวกนี้เนี่ยถ้าเป็นผู้ใฝ่รู้เนี่ยเราจะเห็นนะว่ามันแสดงสัจธรรมอะไรให้ให้กับเราเวลาเจ็บป่วยเนี่ยมันก็แสดงสัจธรรมเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาให้กับเราถ้าเราเป็นผู้ที่รักความจริงเนี่ยเราก็จะไข้ค ร, ครวญจนเห็นสัจธรรมที่ว่าเนี่อย่างที่หลวงพ่ อ, อเขียนผะู้ ว, วันเนี่ยใอ้เจ็บป่วยเนี่ยมันก็เป็นกําไรนะมันเป็นกําไรตรงที่ทําให้เราได้เห็นความจริงของรูปนาม เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแม้กระทั่งความเจ็บปวดหรือทุกขเวทนาเนี่ยอันนี้มันก็แสดงสัจธรรมให้เราเห็นนะหรือว่ามันสามารถจะสอนสัจธรรมให้กับเราก็ได้ว่าไอ้ที่เราปวดเนี่ยพอไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราแันที่จะยึดว่ามันเป็นเราลองมาเห็นมันสิเห็นนะ เห็นความปวดมันก็จะไม่เป็นผู้ปวดแต่เป็นเพราะว่าไปปรุงตัวกูขึ้นมาเป็นผู้ปวดนี่แหละมันถึงทรมานถ้าเราเป็นผู้ฝ่รู้นะแสวงหาความจริงเนี่ยจะไม่หมดแต่ทุกข์นะเวลาสูญเสียคนรักของรักเราก็จะใคร่ควรัวว่าเออเขาก็แังแสดงทำอะไรให้ให้กับเรานะ มันแสดงว่าอะไรนะว่ามันไม่มีอะไรจะเป็นของเราเลยไอ้ที่เราคิดว่าเป็นของเราของเรานี่มันเป็นความหลงแท้ๆเพราะถ้ามันเป็นของเราเนี่ยมันย่อมอยู่กับเราไปตลอดนะแต่นี้มันเสื่อมสลายหายไปบางทีก็ถูกไฟไหม้บางทีก็ถูกน้ำท่วมบางทีก็มีคนเอาไปแสดงว่ามันไม่ใช่ของเราเนี่ยมันแค่มาอยู่กับเราแค่ชั่วคราว ถ้าเป็นผู้ที่รักความจริงมันจะแสวงหาความจริงแสวงหาสัจธรรมนะจากเหตุการณ์เหล่านี้แล้วมันก็จะทําให้ได้ประโยชน์แต่ถ้ า, าว่าปฏิบัติทําไม่เป็นนะมันก็จะมัวแต่ทุกข์มัวแต่เศร้ากับความสูญเสียและจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็กลายเป็นผู้ที่รักความสงบมากกว่าการรักความสงบนี่มันยังสู้รักความจริงไม่ได้นะ รักความสงบเนี่ยมันก็ยังมีการไม่ชอบนะความฟุ้งซ่านผักไสความโกรธนะผักไสนะความหงุดหงิดเพราะมันทำให้ไม่สงบถ้าปฏิบัติธรรมแล้วรักความสงบนี่มันยังไม่พอนะมันต้องกล้าไปถึงการรักความจริงด้วยเพราะว่าไอ้ความฟุ้งซ่าน ความโกรธความหงุดหงิดเนี่ยมันก็สามารถจะสอนสัจธรรมหรือแสดงสัจธรรมให้กับเราได้อาจจะดีกว่าชัดเจนกว่าความสงบสิเพราะว่ามันชี้ให้เราเห็นว่าเนี่ยมันมีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนมันก็ล้วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นทั้งนั้นแหละถ้ารความจริงเนี่ยมันไม่ปฏิเสธนะไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธความโกรธไม่ปฏิเสธความเครียดไม่ปฏิเสธความหงุดหงิด เพราะว่ามันสามารถจะแสดงสัจธรรมให้กับเราหรือสอนความจริงให้กับเราได้ถ้ารักความสงบเนี่ยมันก็เป็นแค่สมถะนะเรียกว่าสมถียานิสนะแต่ถ้าว่ารักความจริงนะโอ้มันกลายเป็นวิปัสสนิกเลยนะก็คือเป็นผู้ที่ฝ่ในการทำวิปัสสนาแล้วก็ถามตัวเองนะว่าเนี่ยเราปฏิบัติธรรมเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับเราหรือเราแค่รักความสงบซึ่งก็ดีนะ แต่ว่ามันควรจะไปมากกว่านั้นนะก็คือรักความจริงถ้ารักความจริงเนี่ยการปฏิบัติของเรามันจะเป็นวิปัสสนานะมันจะไม่มีการเลือกที่รักมากที่ชังไม่ว่าอารมณ์อะไรเกิดขึ้นไม่ว่ารูปรสกลิกก่นเสียงสัมผัสใดใดปรากฏมากระทบเราก็จะยอมรับไม่ผักไสเพราะว่ามันสะท้อนหรือมันสแสดงความจริงให้เราเห็น ทั้งความจริงเกี่ยวกับรูปนามเกี่ยวกับกายใจและความจริงนะเกี่ยวกับสังขารซึ่งก็สุดท้ายมันก็นีไม่พ้นเรื่องอันนี้จังทุกของอังอนัตตาเย็นนี้พืดเท่านี้นะอะรบะ